เราชั้น้ำเป็นหนึ่งลิตรชาก่อนดีน้ำเป็นยารักษาโรคอย่างดีนะก็ในช่วงของธาตุกำเริบราลมกำเริบแล้วก็ปรับเข้าหาร่างกายของคนเราปัจจุบั น, นจะแปรปรวนทำธาตุสี่ได้ง่ายธาตุสี่ภายนอกแ ป, ปรปรวนทำให้ธาตุสี่ภายในของเรา ที่มันไม่เข้มแข็งไม่สมดุลแปลปล่วนไปโดยแล้วก็ศึกษาศึกษาได้เห็นความแปลปลวนเห็นโทษเห็นภัยของสังขารทำให้เราได้เรียนรู้จากมั น, นเรียนรู้ในการหาผล <c oughs> ด้วยออกมามเป็นทุกข์แล้วก็หาเหตุหาเหตุแก้มันไปเรื่อยๆบางทีแก้ บา <c oughs> งอย่างก็แก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากก็เลือกกรรมเหตุที่จะให้เกิดความ <c oughs> สบายไม่สบายทางกายทางใจมันมีอยู่เรื่องกรรมคือการกระทาของเราในอดีตปัจจุบันทำพอดีบ้างไม่พอดีบ้างทำถูกบ้างทำผิดบ้าง ด้วยความที่เราไม่แ <c oughs> ยบคายไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของกายของสังขารของเราดังนั้นเองการเจริญปัญญาการเจริญสติปัญญาเนี่ยทำให้เราหันมาสนใจคือเรายอมรับความเป็นไปของสังขารแต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นทุกข์กับสังขาร แต่ยอมรับในที่นีหมายถึงยอมรับความเป็นจริงของเขาแล้วทำาย่างให้เขาอยู่ได้เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่ตรหนักรู้หรือยังไม่เจริญสติสมถทิปัญญาให้เข้มแข็งไอ้ตัวตรหนักรู้นี่ก็ยังไม่เกิดเมื่อไม่เกิดเราก็ยังไม่เห็น สังขารตามความเป็นจริงนะดังนั้นภารกิจแรกที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์น่าจะต้องทำคือการมาเรียนรู้การตระหนักรู้ในให้เกิดขึ้นในสานึกทุกคนนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์อาจจะต้องทำกันในนามของสถาบันการศึกษากันเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เขาเริ่มกันมากขึ้นนะเพราะญี่ปุ่นนี้เขาเป็นพุทธมากกว่าเรา เขาศึกษาปฏิบัติเรื่องเซนมาหรือได้ตรงเนี่ยพวกเรานี่ไปปนกับผีกับพรา์นานมันก็เลยทำให้เรา <c oughs> ศึกษาพุทธศาสนาได้ช้ามากก็ทำให้ได้ผลไม่ได้เต็มที่ดังนั้นในแง่ของกรรมคือการกระทาเนี่ยส่วนใหญ่เราพูดถึงกรรมเนาะมักจะพูดถึงเรื่องกรรมในอดีตอ่นนเนี่ แต่กรรมในพุทธศาสนานั้นหมายถึงทางอดีตอนาคตปัจจุบันที่มันกำลังเกิดรวมกันอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันกรรมนะเพราะสิ่งที่เกิดมาแล้วเราก็แก้ไขอะไรมันไม่ได้แต่สิ่งที่เรากำลัง <c oughs> กลังเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ศึกษาแก้ไขมันไปเรื่อยๆกรรมแต่กรรมตัวนั้นมันจ ะ, ะเป็นไปได้ก็ อ, อาศัยจิต จิตเป็นตัวบ่งการให้เกิดกรรมตั้งแต่มโนกรรมการกระทําการนึกการคิดมาแล้วก็จิตตัวนี้ก็จะต้องได้รับการฝึกฝนแก้ไขเป็นอันดับแรกนะเพราะฉะนั้นทำจิตเป็นตัวบ่งชี้ซึ่งกันและกันแต่กรรมและจิตนั้นก็ยังเป็นในส่วนที่เป็นนามอยู่แต่ส่วนที่เป็นรูปธ่านมาเรียงไวท้ทีหลัง อุตุและอาหารเป็นตัวเป็นรูปก็ให้เกิดกรรมและจิตแล้วก็มาปรับที่รูปก่อนมาปรับที่อุตุอุตุภายในเนี่ยเราปรับได้โดยการสร้างกำลังในการสร้างภูมิคุ้มกันภายในเช่นการรู้จักปรับธาตุของตัวเองถ้าเราเป็นคนธาตุเย็นอยู่แล้ว ก็จะใส่ธาตุเย็นเพิ่มเข้าไปเพิ่มร้อนไปหน่อยถ้าเราเป็นคนธาตุร้อนอยู่แล้วก็จะใส่ร้อนเข้าไปเพิ่มเย็นเข้าไปรู้จักปรับปัจจุบันในศาสตร์ในการปรับธาตุสีก็มีมากขึ้นที่เราเรียกว่า alternative medicine แพทย์ทางเลือกนะมาเมื่อเป็นโรคภูมิแพ้มาก็ไปศึกษาเรื่องนี้มาปรับตัวเองก็พออยู่ได้กรรมจิตก็ปรับได้ ทีนี้อุตุที่เราสวดอั ช, ช ต, ตะอุตุพหิทาอุตุอั ช, ช ต, ตะอุตุคือภูมิพุ่มกันภายในของเราว่าเรามีภูมิภุ่มกันภูมิต้านทานภายในเข้มแข็งแค่ไหนนะที่ในส่วนที่เป็นคลอินเนอร์ไวตอริตี้คือภูมิพุ่มกันด้านในเนี่ยเราก็ต้องอ่าแก้ไขหละอย่างเช่นดูว่าเรา กำลังของเราเป็นยังไงมันออกกำลังกายาเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรามาาีความเข้มแข็งการไหลเวียนเลือดลมสะดวกเพราะนั้นก็คอร์ดกรรมาฐานก็มักจะมีอายุข่าเข้ามาช่วยในหลายละเอียดเรื่องร้อนเรื่องเย็นไปศึกษาทฤษฎีของหมอเขียวนะของหมอเขียวพูดเาไว้เยอะเรื่องนี้ แล้วก็ในภิทธะอุตุกำลังภูมิต้านทานภายนอกซึ่งเราไปปรับอะไรมากไม่ได้เช่นฝนจะตกฟ้าจะล้องลมจะพัดแดดจะออกพนียเขาเรียกเป็นภิทขะอุตุเราค่อยหลบค่อยเลี่ยงค่อยปรับเอาร้อนมากเกินไปก็หาที่เย็นเย็นมากเกินไปก็หาที่ร้อนหาที่อุ่นใส่เสื้อหน า, นา อาบน้ําอุ่นอะตรงนี้ซึ่งเราก็ค่อยๆปรับตามเหตุแล้วก็ทานอาหารลดร้อนหน่อยหนเวลาในช่วงไหนเย็นในช่วงไหนมันร้อนก็อาหารอาหารรดเย็นแล้วก็ปรับเกินไปนี่เรื่องของการศึกษาสิ่งนี้ต้องเป็ น, นเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องไปเรียนรู้ไม่งั้นเราก็ถ้าไปกินยาหาหมอกันตลอดก็ไม่ไหวนะได้พึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้ดังนั้นในคําสอนพุทธเจ้านี้เว่เราเรียนรู้เพื่อที่จะพึ่งตัวเอง อ น, นี้ส่วนที่เป็นพระหิทธาอุตตุคืออาหารกรรมจิตอุตตูอาหาราอุตอาาอตูภายนอกภายในค่อยปรับเรื่อยๆนะหระืออย่าไปคือเรารู้มันเป็นรูปอะรูปนี้ต้องเงินก็วิกลวิการไปตามเรื่องเพราะว่ามันเป็นสังขารแปลปูนไปตามหรือกฎของใจรักษถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้เราก็เรียนรู้กฎไตรักษจากสังขารร่างกายของเร า, ว, าว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแปรปูนตลอดเวลา เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้แปรปรวนแล้วก็ไปสู่ความไม่ปกติความไม่สะดวกไม่สบายแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้เพราะมันเป็นอนัตตาแต่ถ้ามันเป็นอนตาคงที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เพราะมันเป็นอนัตตามันปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เพราะมันไม่มีตัวตนแน่นอน ทำอย่างนี้ก็ได้ทํอยางนี้ก็ได้อันนี้คือข้อดีที่เราเข้าใจเรื่องอนัตตาคือสามารถแก้ไขสังขารตามต้องการได้ด้วยอํานาจของไตรสีขาไตรลักษนณะ์เนี่ยต้องแก้ด้วยกฎของไตรสีขานะีอันนี้พูดถึงเรื่องอเงินไขเบื้อ ง, งต้นของการปรับสังขารเหตุของความสบายไม่สบายกรรมจิตอุตุอาหารในส่วนที่เป็นนามก็คือกรรมและจิตในส่วนที่เป็นรูปก็คืออุตุและอาหาร นนเราศึกษารูปแรกนามดีแล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องของเหตุเรียกว่าสมุทัยเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์ทางกายแก้ไขทางกายเป็นก็คือไม่เป็นทุกข์กับมันนะมันเป็นอะไรก็แก้ไขไปตามเหตุปัจจัยแก้ไขได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นทําเต็มความสามารถอันนี้ก็มีรายละเอียดเยอะนะจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าช่วงเช้านี้ที่ได้กล่นมาเมื่อวานว่าจะพูดถึงเรื่องของเวทนาต่อ พอมาถึงวันนี้ก็น่าจะเข้าเรื่องนี้ได้แล้วนะโดยเฉพาะผู้ใหม่ที่ได้วางพื้นฐานไปสองสองวันแล้วเมื่อวานพระอาจารย์ภูมกิจท่านก็พาไปวางพื้นฐานอีกระดับหนึ่งก็คงจะพอเข้าใจได้ในสิ่งที่จะพูดต่อไปในเรื่องวันนี้อยากจะป ร, ะรบเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าของเราที่ประสบกันตลอดแทบทุกคนก็คือปัญหาเรื่องอะไรนิวรนใช่ไหม ความเบื่อความม่วงความเหงาความขี้เกียจความหงุดหงิดความไม่สนุกความเซ็งความปวดความเมื่อยพวกนี้มันเป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์เท่านั้นทุกคนประสบกันมาก็บอกว่าที่นี่คือเป็นพลังมันเป็นพลังชนิดหนึ่งความทุกข์ความไม่สบายมันเป็นพลังชนิดหนึ่งแต่พลังนี้ต้องได้รับการแปลรูปแปลเปลี่ยนนะเช่นเราจะหุงข้าวต้มแกงเราก็ต้องการพลังความร้อนต้องการเนนิชี ก็ต้องแปลเปลี่ยนด้วยความเหมาะสมถ้าเกิดว่าไม่รับการแปลเปลี่ยนด้วยความเหมาะสมแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับเราอย่างไฟที่เรามาใช้เนี่ยแปลเปลี่ยนจากพลังงานขั้นสูงมากแปลเปลี่ยนมาเป็นแสงสว่างอแก๊สมีพลังสูงมากก็แปลเปลี่ยนมาเป็นเตาแก๊สมาเป็นเตาไฟฟ้าเมื่อก่อนเราใช้นิยมใช้ฟืนซึ่งเป็นพลังงานที่ควบคุมได้ยากแล้วก็แปลเปลี่ยนมาเป็นถ่านบางเปลี่ยนมาเป็น ไฟเป็นแก๊สอันนี้ล้วก็แปลมาในร่างกายของเราก็มีพลังตัวนี้คือพลังของความไม่สบายถม่ใช้ควาว่ า, าตัวอุตุนะที่มันเป็นอยู่ที่เราก็มาตัวพลังตัวนี้ก็มาออกมาเป็นตัวความไม่สบายที่เราควบคุมมันไม่ได้ที่นี้เรามาเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อที่จะแปลเปลี่ยนพลังตัวนี้จากพลังที่เป็นเนกติเปีนอิาให้เป็น โพสิทีเอนเนอร์พลังลบเนี่ยให้มันเป็นพลังบวกอย่างง่วงเนี่ยมันเป็นพลังลบหรือพลังบวก ส, ส่วนบางคนก็บอกเป็นพลังบวกในชอบที่จะง่วงเนี่ยบางทีมันไม่ง่วงกว็นั่งแชร่มันง่วงอย่างเงี้ยบอกได้พักแล้วนะถือโอกาสเอาเปรียบตัวเองนะฮะก็ว่าเป็นนักดีเอนเนอร์จีนะทีนี้เรามาดูนิวรณ์ทั้งห้าตัวเนี่ยมันมาอย่างไร นนี้เราจะค่อยสู่เรื่องของเวทนานะ่มันมาอย่างไรนิวรณ์ทั้งห้าตัวเนะี่ยคืความที่มันลบกกวนเราได้ตลอดเวลาและนะทั้งที่ทั้งกายทั้งใจทั้งลูกทั้งน้ำเพราะในตัวนิวรณ์ทั้งห้าเป็นได้ทั้งลูกทั้งน้ำนะทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าหากว่านิวรณ์ห้าสงบเนี่ยความได้สมาธิได้อารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นแล้เบื้องต้นเราต้องสู้กับ ตัวนิวรนศึกษาศึกษาแบบสู้บางคนเมื่อวานนี้ก็สู้ไม่ไหวกลับมานอนก็มีนะเดือดรอนถึงเทวดาต้องไปตามบัตมามาดูวันนี้อาจจะแยกกลุ่มไปต่างหากกลุ่มที่หนีไปนอนเมื่อวานนี่นะเพราะนิวรนยังไม่สงุกก็ทีนี้ในนิวรนทั้งห้าเนี่ยตัวกามาฉันทะมันมีสามกลุ่มนะ ตัวกามฉันทะตัวกามะฉันทะเกิดจากความพอใจความพอใจนี่เป็นเวทนาตัวไหนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขเวทนานะความพอใจนะแล้วความสบายกายก่อนนะความสบายสบายแล้วไปยึ ด, ยดติดความสบายก็เลยกลายมาเป็นตัวชอบเป็นความพอใจนะอย่างสภาวะอากาศหนาวหนาเนี่ยถ้ามัน <c oughs> ได้ สิ่งร้อนร้อนอุ่นขึ้นมาแล้วก็พอใจอากาศร้อนร้เท่าใดอากาศเย็นเย็นเข้ามาก็พอใจถ้าอากาศมันเย็นอยู่แล้วถ้าเย็นเข้าไปอีกเป็นยงไงเป็นทุกขเข้าไปนหาอากาศมันร้อนร้อร้อนเข้าไปอีกก็เป็นทุกข์ใช่ไหมนั้นก็กฎของการลบกันบวกถ้าอากาศมันหนาวอยู่แล้วเนี่ยหนาวมากเกินไปมันเป็นลบใช่ไหมพอได้อุ่นเข้ามาหน่อยก็เป็นบวกเป็นกดของความสมดุลแต่ถ้าเกิดว่ามัน หนาวได้พัดลมลมพัดเข้ามาอีกลบเป็นลบกับกายาบวกตัวบวกกายเป็นลบเป็นลบเป็นลบ ก, กายเป็นบวกนี่เนี่ยที่เอาบวกกับลบมันก็เกิดความพอดีขึ้นมานะอันนี้กฎของความสมดุลทีนี้กามฉันทะตัวแรกเนี่ยมันเกิดพัฒนามาจากตัวความพอใจคือตัวลาคะนะความพอใจ พอใจที่จะซื้อสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่ถามไม่ถามว่าคุณอันนี้ราคาเท่าไหร่ดีอยู่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะใช้คําพิเศษคำเนียราคาคุณมีเท่าไหร่นะแล้ว ถ, ถามว่าเออราคาเท่าไหร่เนี่ยโอเคนะเข้าใจกันได้นั้นราคาก็ราคาก็สับเดียวกันเนี่ยนะเราพอใจจะซื้อสิ่งนี้ถ้าราคาสูงหน่อยก็ราคาสูงหน่อยหนึ่งราคาอันนี้คือความพอใจที่นี่ความพอใจเกิดทางกายมาก่อนคือความสบายใช่ไหมต้องการความสบาย และความสบายทางกายเรียกว่าเวทนาทางกายนี้เมื่อเวทนาสบายทางกายเราไม่ได้กำหนดรู้ไม่ได้เท่าทันไม่ได้ศึกษาเรื่องสติเราก็ไปยึดวันยังเข้ามใช่ไหมพอใจวันยังข้ามเพราะนั้นเวทนาทางกายก็ก่อให้เกิดเวทนาทางจิตเป็นาาราคะคือความเป็นกามความชอบนั่นเองความพอใจนะทีนี้นิว์ตัวที่สองเรียกว่าปฏิฆะหรือพยาปาทะคือตัว หงุดหงิดตัวไม่ไม่ชอบอะ่ะตัวไม่ชอบเกิดเป็นเวทนาตัวไหนไม่ชอบใจอะ่ะไม่พอใจเป็นทุ ก, กเวทนาใช่ไหมทุกเวทนาเกิดมาจากตัวไม่สบายกายกายไม่สบายเนี่ยมันก็สังสมสังส ม, สงสมตัวทุ ก, กเวทนาเราไม่สบายกายแล้วก็ไม่ชอบใช่ไหมนั่งนานนารู้สึกปวดมันเมื่อยมันขัดนั่งนานนรูน้สึกมันง่วง ไม่พอไม่ไม่สบายเพราะไม่สบายเราไม่ถูกกาหนดรู้อีกไม่ตามรู้ไม่ศึกษาอีกตัวไม่สบายทางกายก็พัฒนาเป็นตัวไม่สบายทางใจก็เกิดเป็นความหงุดหงิดปฏิฆะใช่ไหมความไม่ชอบไม่อไม่ไม่อยากไม่เอาด้วยเนี่ยเกิดปฏิเสธนี่เขาเรียกว่าปฏิฆะเนี่ยรูปโวย่างกายคือความเจ็บความปวดความเมื่อยความ ไม่พอดีทางกายเนี่ยก็ให้เกิดทุกเวทนาทุกเวทนาก็มาเป็นก็ให้เป็นตัวนิวรณตัวที่สองเกิดมาเป็นตัวปฏิฆะกันอารติความไม่ยินดีอความไม่ยินดีพัฒนามาเป็นตัวไม่องูุิีไม่พอใจความไม่พอใจเกิดผูกความไม่พอใจเป็นเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นกําลังขึ้นมาเกิดเป็นพยาบาทพยาบาทก็ให้เกิดเป็นโกธะ ไม่อยากแล้วโท้ทะพัฒนามาเป็นโทสหเพราะนั้นไอ้ตัวไอ้ตัวพอใจตัวพอใจพัฒนามาเป็นราคะใช่ไหมตัวไม่พอใจก็พัฒนามาเป็นโธสหนี่นี่เห็นไหมเห็นเข้าลางเลยใช่ไหมไอ้กูลเขากี่เดสามตัวมันมาจากกลุ่มนี้เองทีนี้พอมาเป็นโมหะเนี่ยเขาใช้สามตัวเลยนะคือตัวง่วงเหงาตัวฟุ้งซ่านแล้วตัวสงสัยเนี่ยสามตัวเนี่ยรวมเป็นตัวเดียวคือโมหะ ผลราคาโทรสามโมหะก็เกิดจากนิวรณ์ทั้งห้านี่เองเพอเราบํารับลดกําลังของนิวรณ์ทั้ง5้าได้คือลดกําลังของ <c oughs> ราคาโทรสามโมหะได้ทีนี้เป็นที่ทมาของอาราคาหรือที่มาของการมาชันทะก็ามาจากความติดความสบายทางกายใช่ม ถ้าใครล่ะที่จะไม่ชอบความสบายร่างกายก็วิ่งหากันเป็นชีวิตจิตใจใช่ไหมวิ่งหาภาพดีๆวิ่งหาอาหารอร่อยๆวิ่งหาสัมผัสนุ่มนวลวิ่งหาที่ในสิ่งที่อะไรถ้าร่างกายรู้สึกไม่สบายนะก็อหนาวไปหาไฟหาผ้าห่มร้อนมาวิ่งหาพัดลมวิ่งหาแอร์วิ่งหาน้ํานี่เป็นวิถีชีวิตของเราเลยอ่ะทีการแสวงหาตามความสนองความพอ พอใจก็มาจากว่าเราต้องการให้ร่างกายของเราอยู่ได้มันก็กลายมาเป็นสัญชตาตญาณใช่ตัวสัญชตาตญาณโดยของคนและสัตว์ <c oughs> ก็คือความต้องการที่จะอยู่ได้แต่ว่าการที่เราอยู่ได้แบบพอดีแบบทนอยู่ได้เนี่ยเราไม่อยากจะไปอยู่กับมันแต่เราอยากให้มากกว่านั้น คือถ้าอร่อยธรรมดานี่มันเติมอะไรไปหน่อยมันอร่อยมากกว่า น, นี้ให้มันชอบมากกว่า น, นี้นะอร่อยธรรมดาพอพอกินได้ให้อิ่มเนี่ยไม่ชอบต้องใส่อะไรเข้าไปผงชูรสหน่อยมะนาวหน่อยน้ำปลาหน่อยน้ำจิ้มหน่อยอะไรเนี่ยมันก็กลายไปเติมอะไรเติมราคะขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันเป็นวิถีชีวิตของเราดังนั้นเมื่อเราจะตามรู้เรื่องนี้ให้ชัดเจนเนี่ยท่านบอกว่าให้ตามรู้ที่ว่าความพอ ความสบายทางกายเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ที่จะมีได้แต่ว่าไม่ให้ไปยึดเท่านั้นเองถ้าไปยึดแล้วเราจะเป็นไงจะเพิ่มใช่ไหมจะเพิ่มนั้นสมมติเราทานอาหารถ้วยหนึ่งเนี่ยเราก็ทานได้อิ่มได้แต่ว่ามันถูกกายอะ่ะแต่ว่ามันไม่ถูกอะไรไม่ถูกใจกายขอรับได้สบายนะอาหารจีดจืดอเลยเนี่ยกายสบายด้วย แต่เนื่อเมื่อมันไม่ถูกใจก็เพิ่มเพิ่มเข้าไปมันเกินที่นี่ยพอมันเกินร่างกายเป็นไงรับได้ไหมร่างกายรับไม่ได้ใจชอบนั้นเป็นที่มาของอะไรความโรคภัยไข้เจ็บมาแล้วนี่เห็นไหมมันมันมามาจากความชอบใจความชอบใจความพอใจที่มันเกินพอดีที่ไม่ได้ถูกตามรู้นั่นก่อให้เกิดทุกขเวทนานะเพราะนั้นทุกขเวทนาก็เกิดจากอะไรเกิดจากสุขเวทนานั่นเอง สุขเวนาที่เกิดแล้วไปยึดแล้วไปเพิ่มมันเกินพอดีก็ทําให้ร่างกายนิรักไม่ได้เมื่อร่างกายแล้วมันร่างกายเจ็บปวดร่างกายป่วยไม่สบายก็เกิดความไม่พอใจใช่ไหมความกลัวความไม่พอใจเราก็ไปไม่รู้จากความไม่ไม่สบายทางกายแล้วพอความไม่สบายทางกายก่อให้เกิดความไม่สบายทางจก็ตามรู้ไม่ทันอีกเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนอะไรไม่ได้ฝึกฝนไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหม อันนี้คือเมื่อ เ, อเดี๋ยวขอตอบกันว่าเมื่อกี้ว่าตัวง่วงเหงาหงานอนตัวฟุ้งซ่านและตัวลังเลยสงสัยมันเป็นโมหะได้อย่างไรเพราะนคนง่วงม า, มากเพราะมีอะไรมากมีโมหะไม่ใช่มีราคะ ม, ม, มีโมหมีโมหะมากนะความฟุง้งซ่านมากเพราะมีโมหะมากสงสัยมากเพราะมีโมหะมากนะเพราะฉะนั้น คนไหนที่เป็นโมหะจิตให้รู้ไว้ด้วยทางงอก้องอกนัก่นแหละเป็นโมหะนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราไปาก็กระตุ้นให้ตื่นเนะี่ยทีนี้สิ่งเหล่าเนี้ยความพอใจไม่พอใจมันเป็นพื้นฐานเลยนะความสบายไม่สบายกายเนะี่ยหรือความรู้สึกเฉยเฉยเนะี่ยทั้งสามอย่างเนี่ยต้องถูกตามรู้อ่าตามรู้ทีนี้ไอ้ตัวตามรู้ของเราเพิ่งสร้างเนี่ยเพิ่งสร้างบางครั้งก็ขี้เกียจสร้างเลยนะ เรไปยกมาเราสร้างแทนที่เพื่อจะไปศึกษาสามตัวนี้นะเพื่อให้จิตมันตั้งอยู่ปัจจุบันเพราะจิตตั้งปัจจุบันเพื่อไปศึกษาด้วว่าขณะนี้เรากายไปยังไงสบายหรือไม่สบายก็แก้ไปกลลําหนดรู้ไปแต่ว่ามันตั้งใจไว้ไม่ถูกยกมือนี้เพื่อจะได้อะไรเพื่อจะได้สมาธิเพื่อจะได้พลังอํานาจของตัวรู้ให้มากๆแต่ใช้ไม่เป็นไอตัวไม่สบายกายก็มีให้เห็นอยู่ทํำไมไม่แก้มันใช่ไหม ตัวสบายกายก็มีให้เห็นอยู่ทํำไมกับไม่ตามรู้ตัวเฉยๆซื่อซื่อซื่ อ, อบื้อเนี่ยก็มีอยู่ทํำไมไม่ตามแก้นะให้ที่ที่เจริญสติสั่งสมตัวรู้เพื่อให้ตามแก้สิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมเพราะเราต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องมีตลอดเวลาปรับไปแก้ไปปรับไปแก้ไปลักษณะปรับไปแก้ไปเรื่อยๆเนี่ยสติสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องอยากเพราะมันเป็นหน้าที่ของมัน แต่ที่นี่เราอยากให้มันเกิดสติสัมถญยาแต่ว่าไม่ตามแก้สิ่งแล้วเนี้แสดงว่าถูกเหตุถูกผลกันไหมมันไม่สมเหตุสมผลน่ะปัญหามันก็เกิดใช่ไหมเกิดอะไรเกิดเครียดเกิดเบื่อเกิดเวียนหัวเกิดติดอารมณ์เกิดอะไรขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเลยเพราะผลมันเกิดเพราะเราไปแก้ที่เหตุไม่ถูกนี่คือคือเรื่องของเวทนาเพราะฉะนั้นสุขเวทนาก็ให้เกิดราคะ เรือก็ราคาก็ให้เกิดกามะฉันทะกามะฉันทะก็ให้เกิดตัณหาตัณหาก็ให้เกิดอะไรอีกอุปาค า, ปาไปนู่นเลยนะ <c oughs> ยาวเลยล่ะทีเนี้ยยาวเลยนะเห็นไหมทีนี้ไอ้ตัวความสุขเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นทางกายเนี่ยเป็นธรรมชาติใช่ไหยเป็นธรรมชาติที่เรามีวิบากขันมาเนี่ยแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้ รู้ก็คือว่าสุขเวทนาเนี่ยต้องไม่ไปครอบงําจิตเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องมารู้เท่าทันสุขเวทนาเมื่อรู้เท่าทันสุขเวทนาเราไม่หลงเสียหรือเพิ่มจํานวนปั๊บเนี่ยสุขเวทนาก็ไม่ก่อให้เกิดราคะหรือการวฉันทาใช่ไหมมันก็จบแค่นั้นแต่เนื่องจากว่าสติสมาธิปัญญาของเรายังไม่ได้ฝึกฝนให้เข้มแข็งแค่ความสบายกายเนี่ยเราก็รู้ไม่ทันไอ้ตัวรู้ไม่เท่าทันความสบายทางกายแล้วไม่ตาม ตามรู้เนี่ยพ่อเราขาดอะไรขาดโอปลายไกลเดี๋ยว <c oughs> อยู่นิโซเลยขาดตัวรู้นะขาดตัวตามรู้คือขาดวิชาแลีวขาดอาแวสนะคือการขาดตัวนี้เราเรียกว่าชื่อมันก็คืออะอะไร อวิชาเนี่ยนะเห็นหอวิชาก็ให้เกิดสังขารไปนู่นเลยเป็นเรื่องของปฏิสุบารเลยใช่เพราะอาวิชาเป็นต้นเหตุคือเรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเราจัดการไม่ได้เนี่ยเพราะเราก็หลงเสพกันมาในะทีน่นี้ถ้าว่าทานอาหารรู้สึกไม่ถูกลิ้นก็กำหนดว่าเออสักแต่ว่าลูกรถมากระทบลิ้นก็มีหน้าที่เคี้ยวไปแต่มันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ มันคิดว่าจืดไปหน่อยนะถ้าจะได้ไดน้ำปลาก็ดีมันคิดไปโน่นเลยนะอันนั้นเป็นหน้าที่ของต้องการที่จะเพิ่มอะไร mm. เพิ่มสุขวิทนาแล้วใช่ไหมนะแต่ถ้าเรามันสติตามรูอ้อ๋อรถก็สักต่ารถก็มีหน้าที่เคี้ยวไปเท่านั้นเองแต่กว่าเราจะได้สติตัวนี้โอ้โหยากเหลือเกินนะยากเกินขนาดบอกว่าต้องเี้ยวให้ได้สัก ห้าสิบคำนั้นสิบคำไปแล้วนะั่คือบึกบึกไปเลยมันมันตรงสัรชาติยานตรงนี้มันมันแรงมันสูงเราสั่งสมมาไม่รู้กี่พกี่ชาติเก่ากี่กันเพราะหน้าที่ของเราก็คือจะต้องรู้ไปเรื่อยๆวันนี้ทันวันวันนี้ไม่ทันว่าคำนี้ไม่ทันคำต่อไปต้องทันสองคำไม่ทันคำที่สามต้องทันตามรู้มันไปเรื่อยๆถึงมันจะแรงขนาดไหนอ่ะเอามาเปรียบบ่อยๆว่าเหมือนหนะัฝนมันตก เมื่อฝนตกมาน้ําันต้องไหลไปที่ต่ําใช่ไหมน้านเข้านานเข้าไหลทุกวันทุกวันตรงนั้นก็กลายเป็นอะไรเป็นร่องอ่าเป็นร่องเป็นห้วยเป็นห้วยก็ลึกลงไปเรื่อยๆทีนี้วันหนึ่งเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้น้ําเนี่ยเราจะเวลาฝนมันตกมาเวลาไปถูกกระทบกับพื้นแล้วน้ําก็ต้องเป็นไงต้องขุนใช่ไหมต้องขุนสกปร ก, ปกมันก็ไหลไปเลยลงห้วยลงหนองลงคลองลงบึงลงแม่น้ําลงทะเลไป ทีนี้เราต้องการน้ําใช้อะไรจะทำไงก็ต้องเอาภาชนะใช่ไหมภาชนะไปรองน้ำฝนไว้มันก็ไม่ไหลแล้วน้ําฝนที่ตกมานี่เป็นน้ําที่โสกปลวกสะอาดแต่ดีไม่แน่แล้วนะมันแล้วน้ำฝนเราใช้ไม่ได้น้ำฝนกรุงเทพนี่บอกว่ตกมาลังคาทะลุหมดเลยเพราะงั้นน้ำฝนก็โสกปลกแล้วอันนั้นเอาไว้ อีกเคสหนึ่งนะแต่เคสทั่วไปเนี่ยฝนตกมามันโดยธรรมชาติมันต้องสะอาดเมื่อเราต้องการน้ำฝนใช้เราก็สร้างภาชนะขึ้นมาลองรับฉันใดก็ดีสิ่งที่มากระทบเราตลอดเวลาเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสผัสอารมณ์มากระทบตลอดเวลาเหมือนเม็ดฝนเมื่อกระทบเราแล้วก่อให้เกิดความพอใจไม่พอใจเหมือนสิ่งที่มาลองรับถ้าสิ่งที่ลองรับด้วยความพอใจไม่พอใจหมายถึงว่าน้ําฝนนันตกกระทบถึงดินแล้วใช่ไหม แต่ที่นี่จะต้องการรักษาความรู้สึกนั่นให้สะอาดเหมือนที่มันมากระทบกระทบปั๊บเนี่ยมันยังไม่เป็นพอใจไม่พอใจสัตว่ากระทบใช่ไมแต่เนื่องจากเราขาดอะไรขาดสติสมาธิปัญญามารองรับสติสมาธิปัญญาเหมือนผาชนะที่สะอาดการขาดสติสมาธิมันไม่มีผาชนะมันก็ไปกระทบอะไรก็ได้ตกลไปเป็นสกปรกหมดน้าใช้ไม่ได้เมื่อตัว รูปเสียงกลิ่นรสมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเสมือนพื้นรับเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีตัวรู้ตัวกำหนดรู้ตัวตามรู้ตัวรู้เข้าไปลองรับสิ่งที่มากระทบก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดคือเป็นความพอใจบ้างความไม่พอใจความพอใจก็พัฒนาเป็นไหลไปอีกหน่อยเป็นความาโลภะไหลไปอีกหน่อยเป็น แล้วแต่ความพอใจแล้วแต่กระทบพื้นแบบไหนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เออฝนมันจะตกแล้วนะ่ฉันไม่มีน้ำใช้เนี่ยต้องสร้างอ่างสร้างภาชนะเขาขึ้นมาเราก็ได้น้ำสะอาดไว้ใช้ น, น้ำสะอาดได้ทันนั่นหมายความว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกกระทบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ภาชนะต้องเตรียมไว้ก่อนนะจะมาเตรียมตอนนั้นไม่ทัน หายควาว่าสติสมัมถีปัญญาต้องฝึกฝนไว้ก่อนเพราะการกระทบมันมีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมทีนี้พอมากระทบปับ๊บกับตามรู้ปับ๊บเราได้น้ําฝนละคือความรู้สึกเป็นไงซื่ออ่ที่ว่ามาไม่คืนความรู้สึกซื่อใสสดเป็นน้ําฝนที่สะอาดละคือความรู้สึกที่สะอาดจิตก็ไม่แปรปลีนไปตามที่ถูกกระทบกระทบเรื่องกระทบน่ารักก็เราไม่รักไปตามเรื่องกระทบมากระทบน่าชังเราก็ไม่ชังไปตาม เรื่องมากระทบหน้าขุนมัวก็ไม่ขุนมัวไปตามรู้สึกซื่อใจยังเป็นไงใสเหมือนเดิมถึงแม้ว่ามีการกระทบตลอดเวลาใจก็ยังสะอาดเหมือนเดิมใช่ไหมได้น้ำฝนหรือยังได้แล้วะแต่ทําไมเราไม่ลองไว้เพราะไม่รู้วิธีสร้างภาชนะนะหรออือภาชนะที่ลองรับอยู่แต่ภาชนะนั้นไม่สะอาดยังไม่ได้ล้างนะมีศีลก็เป็นศีลอะไร ศีลและพระต่าวปรมาฮัตมีสมาธิก็มีสมาธิเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นเป็นปณิหารเป็นบังคับสะกดจิตมีปัญญาก็เป็นญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิภาชนะไม่สะอาดเราไม่ใช่ว่ามีมีภาชนะแต่ก่อนที่จะภาชนะไปรองรับเราลืมล้างให้เป็นศีลที่เป็นอริยกันตัดศีลให้สมาธิก็ให้เป็นสมมาสมาธิเป็นปัญญาก็ต้องเป็นสมมาปัญญาสมายานไปรองรับทีนี้เราก็จะต้องมาศึกษา พัฒนาว่าตัวศีลพัฒนาขึ้นไปก็เป็นตัวสติสมาธิปัญญาก็รายละเอียดที่ได้กล่าวมาเมื่อวานก็คือวิธีตามรู้นะเวลาเราปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวตามรู้สิ่งที่ปวดนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกต้องตามรู้ใช่ไหมทุกต้องกำลังรู้ต้องศึกษาทุกต้องวิเคราะห์ทุกต้องวิจัยทุกต้องเห็นให้ชัด ทุกต้องกําหนดรู้เข้าหลักอริยสัจี่เลยวิธีล้างใช่ไหมวิธีล้างทีนี้ทุกต้องรู้ต้องตามรู้แล้วสมุไทยทําให้ปวดหลังปวดเอวเพราะอะไร <c oughs> เพราะนั่งนานเพลอลืมลื ม, ล, มลืมปรับเป็นสมุไทยใช่ไหมตัวหลงลืมในการปรับก็คือตัวสมุไทยก็อยากจะให้นั่งได้นา น, าน อยากจะนิ่งนานๆอยากให้มันสมิทธนานไม่อยากจะปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวอยากจะให้ความสุขจากการนั่งให้อยู่ได้นานๆเพราะฉะนั้นสาเหตุมาจากอยากจะให้สุขเวทานานั้นนะอยู่นานๆเพราะนั้นสมุทัยที่แท้จริงมาจากอะไรไ ม, มาจากควา ม, มยากนะคือราคาคอคาก<ค>าศเป็นตันหาใช่ไหมคือตันหามีกี่อย่างที่นี้ตันหาสามอย่างใช่ไหมการมาตันหาก็อยากจะให้ความสุขนี่อยู่นานๆก็นั่งมันสักชั่วโมงเลยไม่ต้องปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหว โอ้โหความทุกข์ก็ตามมาแล้วเพราะเราไปฝืนอะไรกดของไตรลักใช่ไหมเพราะมันปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวภายในตลอดเวลาเพราะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวภายนอกตามไปด้วยให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงแต่เรานั่งนิ่งโดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวมันก็ไปกดไปอคเค้นไปต้านกับกดที่มันอยู่ภายในใช่ไหมอยู่ภายในเขาปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวตลอดว่ะะวาได้กล่าวแล้วว่าการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวภายใน เวลาน้น้องไวไหน่อยนะต้องฟังให้ท่านะเวลาตอนเช้ามันสั้นนะ่ะการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวภายในเป็นกฎของใจรักใช่ไหมเมื่อนั้นเราก็ต้องการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวภายนอกก็ต้องทําตามแต่ว่าเราก็มีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่โดยวิชาหรืออวิช า, ชาโดยอวิชานั้นการปรับเปลี่ยน โอยพูดยากเหลือเกินปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวภายนอกจึงไม่ก่อให้เกิดญาณปัญญาเพราะเราปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวด้วยอวิชชาคือการขาดสตินี่คือคือสาเหตุของมันนะนั่นเองเราจึงไม่มีทางอื่นเลยพระพุทธเจ้าบอกเอกาญะโนโมโคสตนานังวิสุทธเป็นทางเดียวเท่านั้นนะ ไม่มีทางอื่นเลยที่จะต้องมาแก้ทุกแบบนี้เป็นทางเดียวที่พระเจ้าตรัสไว้นะนะอยังพิฆเวมโคเอโกเอกเอกลมกโคสตาหนังวิสุทธิทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้จิตของสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ทุกขโทมณัสสานังอัตถังทําให้ความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันออกไปถ้าจเจริญสติอื ทุกแล้วก็โสกกบปริเทวนาฏถังขมายะทำให้ความโศกเศร้าพิัยลาพันธ์ของจิตความไม่สบายของจิตมันถูกขจัดไปยายาสาทิขมายะทำให้เรารู้สัจธรรมของขอ ง, ของแท้จากพุทธเจ้านิพาน า, ศ า, ศาสัจชัจิริดียเพื่อทำพันิพาณให้แจ้งทางเดียวเท่านั้นเอกายนโคือตัวเจริญสตินี่เอง เพราะนั้นตลอด30สิปียังมาถึงไม่แปลกใจว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสอนอยู่คําเดียวคือเรื่องสติเท่านั้นนะนะดังนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้เราจะทําอย่างไรที่จะต้องปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวภายนอกที่มันถูกบีบคั้นเพราะการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวด้วยกฎใจรักษณ์ภายในมันบีบคั้นอยู่ภายในเราก็จะต้องบาบัดแก้ไขมันไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดจนกว่าจะตายจากกัน แต่ตัวเคลื่อนไหวภายนอกจะถูกเปลี่ยนให้เป็นยานปัญญาเพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับการกระทบให้บริสุทธิ์เนี่ยก็จะต้องถูกตามรู้ถูกตามสังเกตโอจันดมดุมอะไรนะะพึงนึกขึ้นได้อ อ, อยู่แล้วนะอยู่ข้างในดังนั้นเองจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้อง ต้องทำนะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทําแต่ว่าทําไมจึงลืมเรื่องนี้ไปเพราะประเทศไทยของเราไม่ได้เป็นเพียวบุริซุมแต่มันเป็นอะไรเป็นเฟกบุรีซุมเป็นพุทธศาสนาแบบปลอมๆนะไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาที่อ่าพุทธศาสนาที่เพียวเพียวล้วน ๆ, ๆก็ปลอมทั้งฮินดูทั้งผีทั้งพราหมณ์ทั้งอะไรต่างๆมาตลอดแต่เราก็ภูมิใจว่าเรา นับถือพูด 95% นะแต่จริงๆแล้วไม่ถึง 10% แต่มาเคยถาม น, นวงพเทนบอกว่าไม่ถึง 2% โอ้โหขนาดนั้นเลยเมื่อ30ปีก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้คงจะอัพขึ้นมาบ้างอะเนาะไม่มากก็น้อยนะ 5% 4% น่าตกใจนะขณะเดียวกันจีนญี่ปุ่นก็เป็นหลาย 10% มากกว่าเราแต่เขาไม่ได้ประกาศเท่านั้นเองดังนั้นจึงอยากจะให้เราทั้งหลาย ให้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่จะไปเอาจริงจังนะเอาจริงจังก็เพียนอาง่ายงายให้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะเพราะศึกษาแล้วเขาเรียกจิตแต่สีขาใช่ไหมท่านไม่ใช่ว่าสมาธิสีขาเนะี่าสิกขาทั้งสามเนี่ยวิศีและสีขาจะรักษาศีลกใ็ให้ศึกษาดูว่าอันไหนใช้กับตัวเองได้อันไหนใช้ตัวเองไม่ได้ให้ปรับใช้ให้เป็นอันไหนเป็นศีลแบบสมมุติอันไหนเป็นศีลแบบปรมัติก็ปรับใช้ให้เป็นศึกษาซะก่อน นะแต่พอมาเรื่องสมาธิท่นานใช้ก็จิตแต่สิ่ขาศึกษาเรื่องอาการของจิตนะว่าเป็นยังไงจิตขณะการมาการศึกษาเรื่องอาการของจิตก็ไม่ใช่ไปคิดนอกเรื่องนะคิดในสิ่งที่มันกําลังเกิดขณะนี้มีอะไรกําลังเกิดบ้างเยอะแยะเลยใช่ไหมภับต า, าปากหายใจเหลวใสไหลขวาหยิบหยับจับเวยเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งเข่ ง, ข ง, งตึงปรากรตลอดเวลานี่ศึกษาในสิ่งเหล่านี้กําลังเกิด เพราะฉะนั้นสติในสัมโพชฌงค์จึงตามมาด้วยธรรมวิจยะวิจัยธรรมคําวิจัยธรรมหมายความว่าตามรู้ในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในกายในจิตของเราเรียกว่าธรรมวิจยะวันนี้ว่าจะลงลึกของเรื่องของเวทนาเฉไปทางนู้นอีกแล้วนะเฉไปเรื <S <S 1> <S 1> <S ่องของสัมโพชฌงค์เดียวาวไปเรื่องนั้นอีกกลับมาที่เวทนาใหม่เมื่อตัวพอใจตัวพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นจากตัวนิวรณ์ทั้งห้า แต่นี่วัทั้งห้าเราก็เกิดขึ้นกับเรามันก็ทําให้เราทุกทรมานเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ในการแก้ไขมันใช่ไหมเมื่อมีประสบการณ์เราก็ได้รับผลจากการเกิดขึ้นของมันอย่างซ้ำซากวันนง่วงตั้งหลายครั้งง่วงก็ไปไงหนีลูกเดียวนะเดี๋ยวผมไปอาบน้ําก่อนผมง่วงเอา้าทำไมไม่มีวิธแก้อย่างอื่นนะต้องไปอาบน้ำด้วยพระเจ้าบอกให้พาโมคลานาะแก้ถึงเกือบสิบวิธีใช่ไหม เวลาง่วงขึ้นมาเพราะพระมคคลาณนะหลังจากที่ได้รับการอธิบายธรรมจากภาษาริบุตรแล้วก็ยงถึงเมื่อวานนั้นไม่ใช่นอกประเด็นน ะ, ะก็ไปขอเก็บประหลงเจ็ดวันที่ทาอะไรสุกราคาตาหรื อ, อทําพอไปไม่ใช่ทําในป่าไปนั่งปฏิบัติไม่รู้ท่านจะใช้นั่งอนาป่าหรือสร้างจังหวเราก็ไม่เห็นนะใช่ไหมนั่งไปนั่งมาพิงต้นไม้ ถึงหกวันก็ยังง่วงอยู่เลยหลับงอกแงกอกแง่พระพุทธเจ้าท่านก็แอบไปดูนะแต่พาะศาธรรมลานบอกส่งส่องพยานไปเห็นนี่นะส่งส่องพยานไปเห็นพระโมคคัลานะกำลังนั่งง่วงอยู่แต่ความจริงท่านก็เดินจงกรมแอบไปดูเหมือนพวกพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะตามไปดูว่าใครทําจริงไม่จริงวันหนึ่งก็ยังง่วงสองวันก็ยังง่วงสาวันก็ยังท่านเห็นอยู่ทุกวันโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยมันจะเข้าเจ็ดวันแล้วเนี่ย ก็เลยไปเฮ้ยไปนั่งง่วงเห่อทำไมด้านเออท่านมาลองไปเด็ดยอดไม้ใบญ้ามาปั่นหูเล่นดูสิเป็นไงในขณะที่มันง่วงท่านก็ทําตามปานุสักพักหนึ่งท่านก็ไปเดินจงกรมอยู่ห่างสังเกตอยู่นะว่ามันหายไหมสักพักหนึ่งนั่งง่วงต่อยอีกแล้วนะหลังเยาว์ปั่นหูเล่นง่วงต่อยแล้วอ่านก็เดินเข้ามาอีกลองไป ลูกไปล้างหน้าดิอ่าลูกไปล้างหน้ากลับมานั่งใหม่สักพักหนึ่งเอ้าง่วงอีกแล้วนทนก็มาเตือนลองไปเดินจกงกรมนะเดินไปมาโซซัสโซเซทนไม่ได้กลับไปนั่งต่ออีกนะเอางั้นมายืนดู ดูยอดไม้ใบหญ้าดูใกล้ๆอย่าไปดูใกล้ๆเวลาง่วงขึ้มาดูนู่นดูอยู่ยอดไม้ใบหญ้าอยู่ภูเขาดูแสงตะวันนุ่นท่านก็ดูไปพักหนึ่งอ้าวงอับลงไปอีกนะง่วงอีกเอ๊ะยังไงกันแน่อ้าวท่านจําบทสวดอะไรบ้างคล่อ ง, องๆนะนโมครับอ้าว่านโมหลายๆรอบเลยว่าดางังๆของท่านสวดในใจเลยก็ทั้งสวดในใจทั้งว่าดางังๆสักพักเงียบไปอีกแล้ว เอ้ผู้ทีเจ้าะเอาไงดีเอางี้ต่อไปนอนเลยว่างบวชเทืองท่านทุวทายแล้วไม่ไหวแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าให้นอนตะแคงขวาเนะียแล้วก็เหมือนเมืนตะแคงขวาอย่างงี้นะฮะแล้วก็นอนยาวแล้วเอาเท้าซ้อนกันดีๆนอนแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่ามันอสบายแล้วให้ลุกขึ้นนะอย่าไปนอนต่อท่านก็นอนลงไป สักพักหนึ่งลักษณะนอนตะแคงขวาแบบนี้ของว่วงแล้วเป็นงไงพอสงกไปไงหน้าคว่ไปก็พื้นเลยพอหน้าควกก่ก็เกิดสเสบดออย่างแรงเลยที่นี้ซา ต, ตรีเลยนะเกิดแสงสว่างขึ้นในจิตใจอย่างรุนแรงปรากฏว่าท่านตื่นอย่างเต็มที่พระมกขละณะเลยบรรลุปเป็นพระหรัน โดยอุบายแก้งง่องของพุ้ธิจ้าวแต่พวกเราอย่าไปลองเข้าที่ยาวเลยนะไม่มีพูทดิจ้าวไปเตือนให้หรอกนะหน้าสบงบ ก, กับพื้นขึ้นมาเหลือหลาเลยทีนี้ตื่นเต็มที่เลยก็ปรากฏว่าท่านเป็นคนที่เคยเป็นพระฤาษีมาก่อนหลายภพหลายชาติตัวบำเพ็ญสมาธิมาทุกภพทุกชาติมันก่อให้เกิดตัวง่วงหนักๆเลยนะ จนหนักมากเพราะฉะนั้นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิจะก่อให้เกิดตัวง่วงจัดจัดตอนพวกเรานี่เคยเป็นฤุศีกันมาบ้างหรือเปล่านะ <c oughs> ต้องมีอ่ะบางคนง่วงหาววอดๆด้วยหาวตลอเวลาเอามานับดูเลยคนที่นั่งหาวจะมาดูนี่นะ <c oughs> ได้กี่ครั้งแสดงว่าเคยเป็นฤุศีมาก่อนนะเพราะสมาธิมันไปนทับจิตใช่ไหมเพราะสมาธิสะกดจิตเขก็ไปทับจิตเพราะทับจิตแล้วจิตไม่ปลงมันก็มีแต่ง่วงกับง่วงนะอันนี้คือที่ไปที่มา ก็ปรากฏว่าหลังจากท่านบรรลุธรรมเป็นพระหันแล้วพระโมคคัลนะก็เลยมีอะไรมากมีฤทธิ์เพราะกำลังของฌานของท่านที่เคยสูงมาก่อนเนี่ยก็กลายมาเป็นพลังของอปัญญาสามารถที่จะแสดงฤทธิ์คือเข้าใจยากนะเรื่องนี้จะไม่อธิบายคือคำว่าแสดงฤทธิ์ของท่านทำอย่างไรเนี่ยก็ตามภาษาที่เราเข้าใจก็สามารถเหาะเห้นเดินอากาศทานูน่นทำนี่ที่ เร า, าทำไม่ได้แต่ความจริงอันไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้แต่พวกสิ่งเหล่านี้เรายังไม่อธิบายเดี๋ยวเข้าใจผิดอันนั้นหมายความว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็ตามให้พยายามแก้สิ่งนั้นบ่อยๆเวลามันง่วงขึ้นมาเราพยายามแก้พังหรือเปล่า ไม่อพยายามแต่ไม่เกินสามครั้งใช่ไหม <laughs> <laughs> แต่ผู้ที่เจ้าได้ดแก้ถึงสิบครั้งนั่นนะเอ <laughs> ไม่เกินสามครั้งพอแล้ว <laughs> แค่นี้ก็ห น, นีไปทางอื่น <laughs> เอาไปนอนดีกว่าแต่นอนก็ไม่ใช่นอนแบบอสีหายสายญาตินะแบบเปตตาสา ย, ยาติเลยนอนเต็มพี่เลย <laughs> นอนแบบเปตตาสายญาตเลยนะแต่ท่านบอกให้นอนแบบสีหายสายญาตินะเวลาตื่นขึ้นให้ลุกเลยอันนี้คือวิธีแก่มาไป เปิดอาุมอยู่ที่อตอนนั้นบ้านคุณเคเนาะโจมจุลีหมอมนตราสุขภาพแกไม่ดีนั่งเมื่อไหร่ก็ง่วงนั่งมาเล ย, เลยพ่อผมไม่ไหวแล้วมาบอกเอาเอางินหมอนอนเลยนอนให้เต็มที่ 30, ทนะแค่สามสี่นาทีนะแกก็เอาจริ้งก์นอนเลยนะสามสี่นาทีก็ตื่นขึ้นมาทีนี้โอโ้โหตลอดงานไม่ง่วงเลยทีเนี้ย <c oughs> อันนี้คือหมายควาให้มันเต็มที่เลยแต่ในช่วงวันหนึ่งวันสองอามาเข้าใจนะว่า <c oughs> ยมมาจากบ้านเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทกงานบางคนก็ฉลองเริ่มฉลองปีใหม่ตั้งแต่ยี่หยี่เจ็ดมาแล้วใช่ไหมก็ทำให้ไม่นอนได้เต็มที่การพักผ่อนหลับนอนและคนสมัยใหม่นี่ปรากฏว่านอนดึกใช่ไหมนอนกันห้าทุ่มตีหนึ่งตีสองมันก็ทำให้ผิดปกติเพราะการที่เรานอนดึกดึกเนี่ยมันไม่ดีเพราะร่างกายของเราจะได้พักผ่อนที่ ตัวไอสารคุมคุ้มกันของเราที่มันจะเหล่ามาตั้งแต่ห้าทุ่มตีสองดังนั้นควรจะนอนห้าทุ่มตีสองคุมคุม้มกอนร่างกายของเรามันจะทําหน้าที่ตรงนั้นหลังตีสองมาแล้วจนถึงเจ็ดโมงเนี่ยมันก็จะมีความปลอดโปร่งสบายนะอันนั้นในตัวสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีลําดับใหม่ตัวสุขเวทนาถ้าไม่ตามกันหนดรู้สุขเวทนาทางกายก่ให้เกิด สุขเวทนาทางจิตและไม่ได้ตามรู้สุขเวทนาก็จะได้รับการเพิ่มเพราะมีอุปาทานอยู่เมื่อเพิ่มมันก็มเป็นความสบายเมื่อตัวสุขเวทนาทางจิตเกิดขึ้นก่อให้เกิดตัวความพอใจยินดีก็เป็นราคะแต่ราคะนี่มีความจํานวนสั่งสมมากขึ้นก็กลายมาเป็นการมฉันทะ <c oughs> ความทับกำหนัดทางตาหงจมูกลิ้นกายเนี่ยมาจากตัวนี้มาจากที่เสพติดความพอใจบ่อยๆเสพติดความสุขบ่อยๆก็กลายมาเป็นกําลังของกามราคะกามฉันทะเสร็จแล้วกามฉันทะกามราคะตัวนี้ก็พัฒนามาเป็นตันหาทั้งสามกามตันหาเพระว่าตันหาวิภวตันหาแล้วตันหานี้ก็พัฒนามาเป็นสูงสุดเป็นกามสวะยากเหลืละเอียด ลึกมากเลยเป็นการอาสวะอาสวะก็มีสามใช่ไหมตัวโทสะพัฒนาจากความไม่ทุกขเวิาทางกายการเจ็บการปวดกันมันไม่ได้ถูกตามรู้ไม่ได้ถูกแก้ไขไม่ได้ถูกบำบัดมันกลายมาเป็นความไม่พอใจคือปฏิฆาใช่ไหมและปฏิฆาไมไ่ถูกตามรู้อีกปฏิฆาพัฒนามาเป็นโกธาโกธ กตัวเองอ่ะทำไมกูเป็นอย่างนั้นยังไม่มีเหตุที่จะเกิดคนอื่นได้โกตัวเองก่อนไม่พอใจตัวเองเสียแล้วโกดท่าก็พัฒนามาเป็นโทสะโทสะถูกสังสมไม่ได้ถูกตามด้วยโทสะพัฒนามาเป็นมานะมานะก็มาเป็นเก้าตระกูลเลยทีนี้มานะเก้าตะกูลนะอันนี้คือที่สุดทองแล้วก็มานะที่พัฒนาสูงสุดมาเป็นภาวาสวะดูสายของมันนะ จากความรู้สึกเสพบติดในความแก้ไม่ตามรู้ความไม่สบายกายเท่านั้นนะพัฒนามาเป็นยาวเลยเอาทีนี้ตัวทุกขมสุขเวทนาบ้างคือความจะว่า ส, สบายก็ไม่ใช่นจะไม่สบายกายก็ไม่เชิงนะรู้สึกเฉยๆอะ่ะต่เฉยๆแบบที่ไม่ถูกตามรู้เพราะนั้นตัวอทุกขโมสุขเวทนาเลยพัฒนามาเป็นอะไรมาเป็นความไม่รู้คือตัวโมหะ หลงลืมหลงลืมตามดูตัวนี้มีเยอะกว่าใช่ไหมพราอสุขทุกข์ในรู้ได้ง่ายแต่อทุกข์ขมสุขคือเฉยเฉยซื่อเนี่ยรู้ได้ยากแต่มันมีเยอะกว่าเป็นพื้นฐานเลยไม่ใช่ว่าสุขตลอดใช่ไหมบางครั้งเราก็เฉยเฉยแต่ว่าเราไม่รู้เฉยเฉยคืออะไรก็มีสับใหม่ว่อาอทุกขม์มสุขกเป็นเพราะนั้นอุทุกข์ขมสุขก็เวทนธนากุเปกขานี่คนละเรื่องนะแต่เขาไม่ใช่ก็ว่าถ้เขามันรู้ไปถึงใจแล้วถึงเรียกว่า อุเบกขาเวทนาถ้าทางจิตเราใช้คําว่าตัวสุขเวทนาทุกเวทนาอนทุกขม ส, สุขเวทนาพอทะลุ ถ, ถึงจิตมันได้ชื่อใหม่ว่าเป็นโสมนัสเวทนาคือสุขเวทนาไปทางโทสะก็เป็นโทมันัสเวทนาอนทุกขมสุขเวทนาพัฒนาเป็นอุเบกขาเวทนาเฉยเมยเลยละเลยเพิกเฉยไปยลักษณะนั้นเห็นไหมพัฒนาไปอย่างนั้น ดังนั้นตัวหลงลืมในการที่จะตามดูตามรู้ตัวเฉยๆนี่เองมันก็พัฒนามาเป็นตัวโมหะโมหะพัฒนามาเป็นตัวทิฏฐิตันหามานะทิฏฐิชื่อใหม่ของราคะโทสะโมหะเข้มขึ้นพัฒนามาเป็นตันหามานะทิฏฐิและตันหามานะทิตกตะกรานเข้านานเข้ากลายมาเป็นอาสวะทั้งสามสุขวิทนาพัฒนามาเป็นกามาสวะ ทุกเวทนาพัฒนามาเป็นภาวาสะสวะทุกควมสุ ข, ขเวทนาพัฒนามาเป็นอวิชชาสะวะใช่ไหมจึงเป็นตัวที่ละเอียดที่สุดที่แก้ยากที่สุดกลายเป็นนิสัยกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันเนี่ยอันนี้ไม่มีโปรเจคเตอร์ถ้ามีโปรเจคเตอร์มาจะจะให้ดูลำดับของมันท่านเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เราประมานไม่ได้เลยเามาทุกบอกทุกคนเกิดมาที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้บุญกุศลติดตัวมาเยอะพอสมควรน่าจะได้มาศึกษาเรื่องนี้ก่อนตั้งแต่อนุบาลแต่ทีนี้เขามีการเริ่มแล้วนะโรงเรียนอนุบาลอย่างเรียนอนุบาลจุฬาภรก็เอาตัวการเคลื่อนไหวแบบนี้เข้าไปศึกษาตอนพระตลางวั น, เ, นเราเข้าไปเรียนจะเห็นเด็กเอามือไ่ว้หลังเลยจะกลมกันเต็มโรงเรียนเลยละ่ะมาเคยเข้าไปครั้งหนึ่งเด็กตัวเล็กๆสามขวบห้าขวบเนี่ย อ่าก็เปิดเอามาก็บอกเออเป็นนิพนหมายที่ดีทันั้นเองเรื่องของเวทนานี้ทางสาวเ ม, มื่อผู้ที่เจ้าท่านตรัสจะรายละเอียดแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะปรากฏว่ามีคนบรรลุธรรมสองคนคนที่ตามหาหล า, านตัวเองเชื่ออะไรนะเมะื่อวานอ่ะทีฆานะคะนาทีฆานะคะอยู่ข้างหน้าได้ดวงใจให้ทำเป็นพระโสดาบันแต่ท่านที่ถวายพระอยู่ข้างหลัง สาตอ ร, รลี่ภาษาริบุตรวัรูธร้ธรรมเป็นพระอรหันต์เลยเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรจึงบรรลุธรรมด้วยการฝังพระธรรมเทศนาชื่อว่าเวทนาปริกหาสูตรไปหาอ่านได้ในพระไตรปิฎกเวทนาปริกหาสูตรเพราะตามรู้เวทนาปรากฏว่าการตามรู้เวทนาอย่างต่อเนื่องตลอดเนี่ยก็ให้เกิดปัญญามหาศาลเพราะนั้นท่านภาษาลิบุตรจึงไปเลิ่นในทางไหนเลิ่ทางปัญญา ใช่ไหมเพราะนั้นใครอยากมีปัญญามากๆไม่ยากเลยตามรู้เวทนาให้ตลอดอะไรเกิดขึ้นตามปัญญาเกิดขึ้นแน่นอนนะแต่ตามรู้เวทนาด้วยอะไรสัมมาสตินะไม่ใช่วิชาสติถ้าตามรู้เวทนาด้วยวิชาสติก็ไปอีกทางหนึ่งเลยกลายเป็นฤิเป็นเ ด, ดเป็นปฏิหารเป็นไปทางนู้นเป็นพรามไปเลยไม่ใช่พูดแล้วแต่ทางพุดนั้นต้องปัญญายานนะพัฒนาจากสติ พัฒนา ม, ม, า, มาดูมารลำดับที่ใ น, นส่วนที่เป็น positive บางใ น, นทีนะสติพัฒนาทําบ่อยเข้าเบิกเข้ากลายเป็นรู้ทั่วทั่มพร้อมเป็นสัมปชัญญะการรู้ทัวทั่วพร้อมตามรู้มากเข้ า, าเขา้าสัมปชัญญะพัฒนาเป็นสมาธิสมาธิในเมื่อได้รับการตามรู้ตามรักษามากเข้ามาพัฒนามาเป็นปัญญาปัญญาที่ถูกใช้บ่อยเข้าเบิก เ, เข้าพัฒนา ม, มาเป็นญาณ แล้วก็ยานนี้ได้รับการพัฒนาบ่อยเข้ากลันมาเป็นวิปาาัสนาญาณสามวิปาาัสนาญาณเก้าวิปัสนาญาณสิบกแล้วแต่จะแยกไปอันนี้คือลาดับการวิพัฒนาการของทั้งสองฝ่ายทั้งที่เป็นฝ่ายกุศลและอกุศลเห็นไหมเพระเาะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องนี้มันสนุกในการปฏิบัติมันง่วงไม่เป็นเลยอ่ะแต่เผือไม่ได้นั่งเราก็ง่วงเหมือนกันเพราะเราเราตัวรู้ของเรายัางอ่อนอยู่ อ่าเมื่อตัวรู้ขวกเรายังอ่อนอยู่มันก็ต้องไม่ทันนิวรณ์เพราะเรานั่งปั๊บเนี่ยพราเราไปเสพติดตัวสุขเวทนานั้นเวลาเวลาใครนั่งเนี่ยมาบอกอย่าไปนั่งหลังพิงดินั่งหลังตรงๆถ้านั่งก็อีกให้นั่งครึ่งหนึ่งอย่าไปนั่งเต็มก้นนั่งครึ่งก้นแต่ไม่อดไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมันเสพติดมานานแล้วเนี่ยมันก็มีพลังในการบีบบังคับให้เราเสพเสพสุขกับการนั่ง เพราะนั้นเวลาไปปฏิบัติถ้าไม่จําเป็นก็อย่านั่งเก้าอี้เพราะมันอดไม่ได้ที่จะพิงพอพิงก็ไม่ถึงสิบนาทีไปไง<ม>ไปเลยนะ <laughs> เบอร์เลยนะ <laughs> เพราะว่ามันมีความรุนแรงอยู่แล้วสุขเวทนาเนี่ยเพราะนั้นก็นั่งก่นแต่ถ้าหากทามันทําท่าจะไม่ค่อยดีติดสุขทําไงยืนขึ้นเลยนะยืนขึ้นแล้วก็ยืนสร้างจังหวะเพราะฉะนั้นเวลาไปนั่งปฏิบัติตมามาถึงไม่อยากให้เก้าอี้ไปเอาเสื่อไป พ้อยเสือนี่เราสามารถพลิกเปลี่ยนได้หลายท่านั่งใช่ไหมนั่งคัตมาต์หนึ่งสองสามนั่งพับเพียบซ้ายพับเพียบขวานั่งทับสนนั่งคุกเขานั่งยืนเขานั่งเหยียดขาได้หมดเลยแต่อิริบุรเหล่านี้ไปใช้บนเก้าอี้ได้ไหมไม่ได้มันอิริบุรเดียวมันก็เพลินง่ายพราะเพลินง่ายเดี๋ยวมันก็แต่ถ้าหากว่าง่วงมาตัวเดียวตัวอื่นมาหมดเลยนะราคาก็มาไม่พอใจก็มาฟุ้งซ่านก็มา เอสงสัยก็มาดูไดตัวหนึ่งแล้วแต่นขาขบวนมาเลยมันจะมากันเป็นพลว น, นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไม่จำเป็นก็ถ้านั่งก็อีกก็นั่งให้เป็นคือนั่งครึ่งก้นอย่าไปนั่งเต็มก้นนะอย่าไปนั่งหลังพิงอนะคนไหนที่ทําท่าจะหลังพิงออกมาก็ไปแต่หลังให้ตั้งหน่อยแต่บางคนทําท่าจะตั้งนี้นพร้อมที่จะเอียงกลับคืนอีกนะถอนมาไกล้ๆดึงก็ออกมาไกล้ๆถึงยอมกันนะเพราะฉะนั้นวิธีใดที่จะก่อให้เกิด แนวร่วมให้เกิดน้วรณเนี่ยต้องแก้ไขป้องกันไว้ก่อนแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไหวทันเรื่องเหล่านี้เราก็าตามสบายยังไงก็ได้เดี๋ยวปัญหาเกิดแก้กันเองแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นต้นเหตุหรือปลายเหตุแหละแก้ปลายเหตุมันยากพ้ามาได้เริ่มง่วงแล้วเนี่ยโอ้โหจะแก้กัไม่ใช่ง่ายเลยนะดังนั้นหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยพยายามเดินก่อนเดินเพื่อ ให้อาหารมันยอะนะ่อยในเครื่องย่อะมันทํางานเยอะๆถ้าอาหารมันย่อยหมดมันก็แก้ของมง่วงได้ระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในท่วงที่ทานอาหารเนี่ยเจ้าความเคยชินเคี้ยวสิบครั้งไม่ถึงยี่สิบครั้งเลยใช่ไหมกื่นแล้วบอกให้เคี่ยวถึงสี่สิบครั้งค่ะช่วงยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้ามีใครพยายามนะมันจะไม่ง่วงเลยนะมันจะไม่ง่วงเลย ไอ้เม่อวานเห็นหลวงพ่อนั่งงวงบองลูกบ่าเนี่ยเราขายหน้าตัวเอง น, นี่เองมาก็นั่งกูอีดังนั้นในจุดนี้เราต้องศึกษากันเป็นขบวนอย่าไปทําแบบตามมีตามเกิดยังไงก็ได้มันไม่ใช่แล้วเราเสียเวลาเรามาที่นี่ลงทุนมากนะขนาดลงทุนไม่ไม่ไม่ไปฉลองปีใหม่เลยอะ่ะจออางบุตรีเราต้องไปฉลองปีใหม่ไปจับฉลากเอาของ ข, องขวัญกันเที่ยวตรงโน้น ต, ต, ตรงนี้นั้นน่าชื่นชมคนหนุ่มคนสาวเรามากที่มา ไม่รู้จะหลกไปฉลองปีใหม่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคงไม่ไปผมเนานะดูให้ดีก็แล้วกันจับตาด้วยให้ดีว่าใครลฉลองฉากออกไปฉลองปีใหม่วันนี้นะแต่ถ้าไม่ไปนี่แสดงว่าโอ้โหจิตใจเข้มแข็งมากมีโอกาสจะพัฒนาเป็นเป็นนักปฏิบัติที่เข้มแข็งขึ้นต่อไปนะดังนั้นในเรื่องเหล่านี้เราจะต้องศึกษาให้ชัดๆน่าสนใจมากเอามาสนใจในเรื่องการร่างกายเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราได้รับทุกขได้รับโทษจากมันมามาก จนแทบจะเป็นจะตายมาก่อนแต่ในเมื่อมาเห็นวิธีการอย่างนี้แล้วเนี่ยเราติดตามเราศึกษาเอามามาศึกษาแพทย์ทางเลือกศึกษาวิธีการดูแลตัวเองถ้าไม่ศึกษาสิ่งเหล่านี้มาก็ไม่ได้มานั่งพูดอย่างนี้หรา ตายไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่อายุน้อยๆนีน่นแหละแต่มาถึงหน้าวันนี้หกสิบป่วยแล้วมันก็ยังอยู่ได้สบายนะเออเข้าท่าดีน่าจะถึงสองร้อปีน่แบบนี้ดูแลมันไปเรื่อยๆตายวันไหนก็วันนั้นป่วยวันไหนก็วันนั้นแต่ขณะที่การป่วยการตายเป็นเรื่องที่ท้าทายให้ศึกษาใช่ไหมไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยอ่าจริงๆนะว่าเออมันมันป่วยเยอะๆเนี่ยมันก็ว่าจากการป่วยน้อยๆใช่ไหม ที่การป่วยน้อยๆมันเริ่มมาจากความที่เราเพลินไม่รู้เท่าทันแล้วเราไปเสพในเมื่อเรามีตัวรู้อย่างนี้แล้วเราจะปล่อยให้มันป่วยเยอะๆไหมเริ่มป่วยน้อยๆแค่นั่งนั่งนั่ ง, น, งนานๆปวดขานี่ถือว่าป่วยไหมป่วยแล้วเป็นรูปโลกแล้วเนี่ยเป็นรูปโลกแต่ถ้าเรารักษาอาการนี้ก็ง่ายนิดเดียวใช่ไหมแค่ขยับไอ้รูปโลกก็หายแล้วเนี่ยมันแก้ต้นเหตุง่ายจะตด้ไปแต่ถ้าเกิดไปปวดขาขาล็อก เกิดหินปูนจับเผาโอ้โหควรจะแก้ไขกันนานแล้วทีนี้ก็นึ่งมาจากเราไปแช่อยู่กับมันมันถึงเกิดการล็อกแบบนั้นหรือเป็นโรคอ้วนอย่างเงี้ยกินมากอย่างเงี้ยเราก็มาแก้ต้นเหตุด้วยกินน้อยกินอาหารที่ไม่อร่อยใช่ไหมแต่มีแต่มีมมเขาเรียกเฮลที่ฟู้ดอะในมีคุณภาพนะกินอาหารที่ไม่ต้องอร่อยนะแต่มีคุณภาพร่างกายมันก็ไม่อ้วนเอ ง, งนะ ส่วนใหญ่เรากินอาหารที่อร่อยแต่ไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพน้อยส่วนของเข้าไปมันก็เหลือดิเหลื่อมก็ทําให้เกิดเศษไขมันที่เหลือทําให้เราอ้วนเป็นที่มาของโครคไขย่ข้เจ็บมากมายดังนั้นเองการศึกษาเรื่องเวทนาทั้งสามเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะมันมีอยู่เราตลอดเวลาเนะี่ยเรเวทนาทั้งสามไม่ก่อให้เกิด ความทุกข์มากมาย <c oughs> ท่วมหัวท่วมตัวเราเลยแต่ถ้าเราได้ศึกษาเอาใจใส่ศึกษาอย่างจริงจังเนี่ยมันสนุกแต่สำหรับคนที่มีขอโทษนะมีวุฒธธิภาวะทางจิตมีวุฒิภาวะทางสติปัญญายังไม่ถึงย <c oughs> อย่างไรก็ต้องถูกตัวนี้ครอบงำเสียก่อนจนได้รับทุกข์รับโทษมากๆแล้วถึงจะหาวิธีแก้แต่สาหรับคนที่มีวุฒิภาวะทางจิตสูงแล้วก็จะเฉลียวใจ เพราะอะไรสิ่งเหล่านี้จึงเกิดเห็นมันเป็นแขกแปลกหน้าไม่ใช่สิ่งที่จามาอยู่กับเราดูของเราคือต้องปกติใช่ไหมเห ม, มือนกับ น, น้ําฝนที่ตกมาปกติของมันมันไม่ขุน่อันนั้นคือปกติของมันนะแต่ที่มันตกไปสู่ดินแล้วมันขุนข้นขึ้นมาถือว่าเป็นไงผิดปกติของน้ําฝนละ่ะเราจะเอาอย่างนั้นหรือเราจะกินน้ําขุนตลอดไปอย่างนั้นเหรื อ, อมันโลภใครใคเจียบเยอะแยะนะกินน้ําขุนน้ําไม่สาะอาดแต่ถ้าเรากินน้ําสะอาดเราก็จะสุขภาพดี เพราะฉะนั้นตัวเวทนาต้นตอมันจริงๆก็มาจากตามลาดับนะมาจากการกระทบใช่ไหเรียกว่าผัสสะอ่าลำดับมันขึ้นไปใหม่นะตัวกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกรูปเสียงกลิ่นรสกระทบปับ๊บสติก็ยังมาไม่ทันอีกอามาถึงผัสสะแต่ว่ากระทบแล้วสติมาทันต้องสติระดับพระรหันต์นะระดับเราแค่ เวทานาตันหาอุปทานก็ขอให้ทันก็นแล้วกันแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยทันสักรอบเ่ยมันผ่านมาวันมันไม่รู้กี่หมื่นรอบไม่ทันมันสักรอบเลยอ่ะใช่ไหมกระทบไม่รู้กี่หมื่นรอบต่อวันนะทีนี้พอแต่ก็พูดเอาไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษานะไม่ใช่พูดให้ทำทำไม่ไหวเราเพราะว่าสติไม่พอภาษาที่มันจะเกิดเป็นภาษาได้รูปมากระทบตาของเราเนี่ยที่เกิดความชอบใจไม่ชอบใจพอมีอะไร พ่อมีอายตนะใช่ไหมพ่อมีรูปมันจึงก็พ่อมีตาถ้ามีแต่รูปไม่มีตาภาษาเกินไหมมีตาถ้าไม่มีรูปภาษาเกิดไหมตัวสองอย่างนี้มรรคผลเรียกว่าอายตนะทั้ง ห, หนะสลายอายตนะทั้งหมากระทบแล้วอายตนะทั้งทั้งสองนี้เกิดได้เพราะอะไรตา ม, มันขึ้นไปสังขารก็เกิดวิญญาณวิญญาณก็ให้เกิดพราะมีตัวรู้คือวิญญาณเพราะมีธาตุรู้อยู่ข้างใน แต่สมมุติคนตายแล้วมีอะไรกระทบรูปเฉียงิขีรบมากระทบแล้วเขารู้ไหมไ ม, ไม่รู้เพราะเขาไม่มีวิญญาณมีธาตุรู้รองรับอยู่มันถึงก่อให้เกิดอายตนะกระทบกันแล้วเกิดรู้เรื่องขึ้นมาเพราะมีวิญญาณและวิญญาณตัวนี้เป็นผลรวมของสังขารคือไอตัวตัวรู้ตัวนี้เกิดมาจากการทํางานของรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมมันถึงเกิดตัวรู้ตัวนี้ได้ เนี่ยก็สังขารก่อให้เกิดวิญญาณแล้วอะไรก็ให้เกิดสังขาร อ, อย่าพิ่งไปอวิชาดิลัดขั้นตอนไปเออมันต้องนามวลูกก่อนสิเนะใช่ไหมเออหมายเขาว่านามวลูกคือตัวตัวที่มากระทบให้ให้รู้วิญญาณถึงทํางานถ้าสมมุติเราหลับตาลงเนี่ยจะขูวิญญาณมีไหมเออเรื่งนี้ขั้นละเอียดขึ้นแล้วนะหลับตาลงเนี่ยจะขูวิญญาณทํางานไหม ในขัะ น, นี้เราวิญญาณเราหายไปหนึ่งดวงคือวิญญาณทางไหนโสตวิญญาณเพราะฉะนั้นพอจะ น, น, นึกออกเลยพ่อเห็นอะไรหลวงพ่อเทียนจึงไม่ให้หลับตาพ่อวิญญาณมันหายไปอันหนึ่งจะขูวิญญาณมันหายไปอถ้าเดือดให้หลับตาเพื่อให้วิญญาณทํางานปกติ <c oughs> อหมดเวลาแล้วนเ น, นี่ยหกโมงแล้วเนาะถ้าจะจบกันดื้อๆเนาะเอาค้างไว้ก่อนก็แล้วกันค้างไว้ก่อนก็แล้วกันเรื่องนี้สําคัญนะมันเป็นเรื่องของ ธรรมชาติของเราแต่เราอ่านมันไม่ออกเราบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นเห็นตัวเองไม่ชัดจัดตัวไม่ถูกเราไม่สามารถจะปลูกสติปัญญาขึ้นได้เพราะตัวนี้ตัวอวิชชานะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ทําความเข้าใจบ่อยๆแต่ไม่ต้องไปจําตัวบัญญตัติอย่างที่มานำมาแต่มานํามาเสนอนเพื่อให้เห็นที่ไปที่มาเท่านั้นเองว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสดูมาไม่ใช่เรื่องลอยๆมาพูดกันลเล่นทํากันสนุกๆ น, นะมันมีที่ไปที่มา แต่ว่าบางทีเราไม่มีโอกาสที่จะไปแจงรายละเอียดกันนะเพราะฉะนั้นตัววิญ ญ, ญาณจะทําหน้าที่ได้ต่อเมื่อมีการที่มากระทบแล้วเกิดการตอบสนองการตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบเรียกว่านามรูปนามรูปก็มาจากการทําหน้าที่ของรูปเวทนาสัญญาสังขารก็คือเรียกว่าสังขารก่อนเกิดนามรูปที่นี่สังขารตรวนี้เกิดจากอะไรที่นี้ไล่ขึ้นไป ที่มันเป็นสังขารได้เพราะมันไม่รู้เท่าทันถ้ารู้เท่าทันจะสังขารไม่เกิดใช่ไหมคืออวิชชาก็เริ่มต้นไปเลยอวิชชาก็่อยเกิดสังขารสังขารก็เกิดวิญญาณวิญญาณก่อยเกิ ด, ญญญญญญกกดนามรูปนามรูปก่อยเกิดอายตนะภัจจเวทนาตันหาประานไปยาวเลยทีนี้เราก็ไปรัตอสุดท้ายก่อยเกิดทุกขโสกปริเทวะไปนู่นเลยนะไม่ทันพราะนักจเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นความเร็วของสติมันสูงทีเนี้ย ฟรีคอล์ฟซี่ของสติมันสูงมากมันก็จะตามทันเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทุกคนมีสติอยู่นะแต่ว่าเป็นสติธรรมดาเป็นสติที่ต่าเป็นสติสัญชาตญาณเราจึงมาทําการเจริญสติเพื่อพัฒนาสติที่เป็นสัญชาตญาณให้เป็นปัญญายาณเมื่อเริ่มเป็นปัญญายาณความถี่ของสติก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้น ทุกสิเหตุของทุก12อย่างตามหลักปริศน์มันก็เลยตามขึ้นมาเรื่อยๆตัวแรกล่าสุดตามให้ไปทันทุกซะก่อนตามให้ทันความไม่สบายกายไม่สบายตามบ่อยๆเข้ามันก็จะตามขึ้นมาเรื่อยๆตามขึ้นมาถึงความคิดเรียกว่าภพชาติใช่ไหมที่มันคิดขึ้นมาเป็นภพอินชาต์อะตามทันภพก็จะตามทันชาติตามทันชาติก็ตามทันของอุปาทาน ตามทันอุปทานก็ตามตา ม, มาตัญหาตามทนันหาก็ตามันเรื่อยขึ้นมาเรื่อยๆจนมาตามทันอวิชชาเมื่อไหรก่ก็สาตุริได้เลยนะบรรลุภามเป็นประหานได้เลยนะแต่ตัว น, นี้เราทำตามไทยท้ายขึ้นมาก่อนบันไดสิบสองขั้นเลยนะ แล้วก็ขยันทำเพราะนั้นจะมานั่งน้องงงอย่างนี้อย่างเดียวมันไม่พอนะมานั่งยกมือเนี่ยต้อตามรู้ตลอดจะลุกจะนั่งจะยั่งจะเดินเก็บไปเรื่อยๆใครมีสติปัญญาสามารถเก็บรายละเอียดเหล่านี้ได้สูงคนนั้นก็มีโอกาสสร้างความถี่ของสติได้สูงความถี่ของสติสูงขึ้นที่ว่ามาเมื่อกี้เมื่อความถี่ของสติมากขึ้นจะพัฒนาเป็นอะไรสามัญญความถี่ของสมัญญาสูงขึ้นพัฒนาเป็นสมาธิ ความผีของสมาธิสูงขึ้นพัฒนาเป็นปัญญาความผีของปัญญาสูงพัฒนาเป็นญาณญาณมีความผีสูงพัฒนาเป็นวิปาาัสนาญาณแล้วก็พัฒนาวิปัสนาญาณไปสูงขึ้นเรื่อยเเห็นไหมนี่เราจะต้องให้กําลังของสติมันมีความผีสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างไฟเนี่ยก็รจะสว่างนี้ได้ความผีของมือการบินเทีฟ้าตั้งเท <c oughs> ่าไหร่กี่พันรอบต่อนาทีใช่ไหรือตวินาทีตั้งสามพัน รอบต่วิมันไฟถึงสถียนอย่างนี้ได้แต่ถ้าอะไรความถี่มันต่ําลงหล่าดิออนนะเป็นไงแวบๆเลยใช่ไหมอ่าติดบ้างไม่ติดบา้ดบางนั้นความถี่มันต่ําลงสติเราถ้าความถี่มันต่ําเป็นไงมันก็ไม่ทําหน้าที่แวบๆอยู่อย่างนี้เราก็เราก็เลย ม, มืดไฟดับนะมืดเพราะแรงเพราะฉะนั้นความถี่ของสรรชาติยานก็ทําให้มนุษย์เรายังมืดบอดอยู่อย่างไง เราเพิ่มตัวสันญญาณจะเป็นปัญญาญาณความถี่มันเริ่มสูงขึ้นไฟก็สว่างขึ้นญาณปัญญาสว่างขึ้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมมันสัมผัสมันสอดคล้องกันหมดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่รู้รูปธรรมนามธรรมชัดเจนเราจึงโยกหากันยังไม่ได้เขาเรียกยังไม่เกิดโอปะนัยโกนะต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเอาละข อ, อนุโมทนาสาธุด้วยความตั้งใจของพวกเราทั้งหลาย ที่จะพัฒนาความถี่ของสติให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกำลังของสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สามารถรู้เท่าทันกิเลสตัณหาวัฏฐานและหมดทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกทันถือ